จำนวนสามัญพิจารณาอายตนะและธรรมะอื่นที่เกี่ยวเนื่องภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยบีบคั้นได้ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดรูปเสียงกลิ่นรสพทธภะธรรมารมไม่เทียงปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติด ในการพิจารณาตามแนวของสำนวนนี้คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาจยักยืองไปได้ต่างๆตามมัธยาศัยเช่นอาจเป็นว่าจักสุมืดไปหมดแล้วตาร้อนเป็นไฟไปแล้วหรือว่าตาเป็นสิ่งมีความเสื่อมได้เป็นธรรมดาดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลาย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 ย่อมหายติดภิกษุทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภักดิธรรมารมไม่เทียงสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นปัจใจบีบคั้นได้สิ่งใดปัจใจบีบคั้นได้สิ่งนั้นไม่เป็นตนสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่า ไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นคือตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดจำนวนแบบนี้ในสังยุตตนิกายสลายยนาวัต์ขยายออกไปจากอายตนา12บสองถึงวิญญาณหสัมผัสหและเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อาทุกข์ ข, ขมสุข นี่เนี่ยภิกษุเธอเข้าใจอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจจากขูวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณจากขูสัมผัสจนถึงมโนสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยจนถึงเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยง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 ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตนจักเป็นสุขจักเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหนเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดรูปเสียงกลิ่นรสพทธพะธรรมารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติด ภิกษุทั้งหลายภิกษุมองเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมารมณ์ที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นถูกต้องย่อมหายติดเพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิแล้วราคะจิตก็หลุดพ้น เรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีพิกษุทั้งหลายจงพิจารณาโดยแยกคายซึ่งตาหูจนถึงธรรมอารมในที่นี้คือละไว้ที่หมายถึงอายตนะทั้งภายนอกภายในคืออายตนะทั้งสิบสองนะครับพิกษุทั้งหลายจงพิจารณาโดยแยกคาย ซึ่งตาหูจนถึงธรรมารมณ์จงเห็นคล้อยไปตามความเป็นจริงซึ่งอนิจจตาแห่งตาจนถึงธรรมารมณ์เมื่อพิจารณาโดยแยกคายเมื่อเห็นคล้อยไปตามความเป็นจริงย่อมหายติดในตาจนถึงธรมรมารมณ์เพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะ จิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นรัสตอบว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมรมวิญญาณหกสัมผัสหกและเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เทีย่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไร จึงจะลักเอาวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นรัสตอบว่าภิกษุมีสุตะคือหมายถึงได้เล่าเรียนหรือสดับมาภิกษุมีสุตตะว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคือสัพเพธรมมานาลังอภินิเวสายะข้อที่ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี้ ย่อมเป็นเพียงสุดตรากของเธอเธอเรียนรู้ในวงเล็บอภินยาเธอเรียนรู้ธรรมะทุกอย่างครั้นเรียนรู้ธรรมะทุกอย่างแล้วย่อมรู้จักในวงเล็บปริญยารั้นเรียนรู้ธรรมะทุกอย่างแล้วย่อมรู้จักธรรมะทุกอย่างรั้นรู้จักธรรมะทุกอย่างแล้วย่อมมองเห็นนิมิตทั้งปวง คือสิ่งที่กำหนดหมายหรือภาพของสิ่งทั้งหลายย่อมมองเห็นนิมิตทั้งปวงโดยในย่าอื่นคือมองเห็นต่างไปจากที่เคยมองเห็นเมื่อมีความยึดมั่นคือเห็นตาโดยในยอื่นเห็นรูปทั้งหลายโดยในย่อื่นเห็นเสียงรวมถึงอายตนะอีกเก้าวิญญาณหกสัมผัสหและเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อาทุก ข, ขมสุข โดยในยะอื่นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมละอวิชาได้วิชา ย, ย่อมเกิดขึ้นสำหรับพุทธพจน์ที่ท่านยกมานี้ท่านย่อมาให้เข้าใจได้โดยง่ายนะครับคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจและอื่นๆนั้นในที่นี้จะมีวงเล็บไว้ ซึ่งก็หมายถึงจัดระดัถึงทีละอย่างตามลำดับเนี่ยครับ